ที่อยาจะมาบำเพ็ญบุญกุศลจึงได้มาที่วัดเพื่อได้ปฏิบัติตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้เพราะการดำเนินวิษามวิถีทางที่พระพุทธองค์ได้ทรงดาเนินมาเป็นการดำเนินชีวิตเพื่อความก้าวหน้าเพื่อความเจริญรุ่งเรืองเพื่อความโมเง็นเป็นสุขอย่างแท้จริง การพุทธเราจึงถือการเข้าวัดเพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ทำธรรมเป็นกิจกรรมที่พึงกระทำอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ควรที่จะละเว้นต่อยวางหน้าที่อันสำคัญนี้เพราะไม่มีหน้าที่อะไรในชีวิตของเราที่จะให้ คุณค่าให้คุณประโยชน์กับชีวิตจิตใจได้เท่ากับการปฏิบัติหน้าที่ของพุ้เจรสิริขชนที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สั่งผู้สอน mm hmm. การมาวัดก็เป็นการมาเพื่อมาดําเนินตามที่ตามสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเริ่มต้นด้วยการศึกษาเล่าเรียนฟัง คำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนแล้วก็ให้เอาคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนนั้นมาประพฤติปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้ประสบกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือจิตใจจะมีความร่มเย็ยนเป็นสุขมีศีลมีธรรมมีความ มีปัญญามีความฉลาดเมื่อเรามีสิ่งที่ดีที่งามอยู่ในตัวเราแล้ ว, ลวเราก็พร้อมที่จะได้เอาไปแจกใจ่ายให้กับผู้อื่นต่อไปเป็นการเผยแผ่เพราะทำคำสอนเป็นการสืบทอดศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานต่อไปเพราะศาสนาเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง ถ้าปล่อยปากระเลยไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะนำไปปฏิบัติ <c oughs> ก็จะไม่เห็นผลอันเสรฐที่จะเกิดขึ้น <c oughs> และก็จะไม่ได้ไปนำไปเผยแผ่ให้กับอนุชนรุ่นหลังต่อไปถ้าทุกคนไม่ถ้าทุกคนไม่สนใจไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติต่อไปศาสนา <c oughs> ก็จะไม่มี หลงเหลืออยู่ในโลกเพราะศาสนาก็เปรียบเหมือนกับต้นไม้ที่ต้องได้รับการทํานุบํารุงดูแลรักษาด้วยดินด้วยน้ําด้วยปุ๋ยต่างๆฉันใ้ศาสนาก็เป็นเช่นนั้นศาสนาจะคงอยู่กับโลกเป็นที่พึ่งให้กับสัตว์โลกได้ก็อยู่ที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายที่จะ ปฏิบัติหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งมอบหมายไว้ตามขั้นตอนที่ได้แสดงไว้คือหนึ่งให้ศึกษาเล่าเรียนเรียกว่าปริยัติธรรมสองให้นําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปปฏิบัติเรียกว่าปฏิบัติปฏิบัติธรรมสมเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้รับสัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติ ก็เรียกว่าปฏิเว ท, เวทธรรมเมื่อมีเราได้ผลแล้วเรารู้แล้วว่าการดำเนินชีวิตของเราตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นดีอย่างไรเราก็นำเอาไปเผยแผ่เอาไปประกาศเอาไปโฆษณาบอกเพื่อนฝูงต่างๆให้เขาได้รู้เพราะถ้าเขา ไม่ได้รับรู้เขาก็อาจจะไม่รู้ว่ามีสิ่งที่ดีสิ่งที่วิเศษอยู่ในประเทศเราอยู่ในโลกนี้ถ้าเรานำอาไปประกาศเอาไปเผยแผ่เอาไปบอกเพื่อนฝูงต่างๆเขาก็จะได้มีโอกาสรับรู้ส่วนเขาจะสามารถนำไปปฏิบัติอย่างที่เราได้ปฏิบัติหรือไม่ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของเขา ไม่ใไไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเรามีอยู่ตรงที่เมื่อเรารู้ว่าศาสนามีประโยชน์อย่างไรมีคุณค่าอย่างไรเราได้สัมผัสกับศาสนาด้วยตนเองแล้วเราก็นำเอาไปเผยแผ่ไปบอกผู้อื่นเขาจะเชื่อไม่เชื่อเขาจะทำหรือไม่ทำอันนั้นเราอย่าไปกังวลเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเรา เราไปบงังคับจิตใจของผู้อื่นไม่ได้ผู้อื่นเขาจะยินดีกับศาสนาหรือไม่ยินดีกับศ า, าสนามันก็เป็นเรื่องของเขาแต่เรามีหน้าที่ที่จะต้องเผยแผ่เราก็เผยแผ่ไปเวลาบอกใครก็ดูว่าคนที่เขาคนที่เราจะบอกนั้นเขามีความสนใจมากน้อยเพียงไร ถ้าเขาไม่สนใจเลยพูดไปแล้วเขาก็พยายามพูดถึงเรื่องอื่นเราก็ควรที่จะหยุดไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับเวลาที่เราเท น, าน้าใส่แก้วถ้าคนที่เขาเอาแก้วมารองรับน้ำนั้นเขาค้อมแก้วเสียเราเท น, าน้ำลงไปในแก้ว <c oughs> มากน้อยเพียงไรน้าก็จะไม่ ไม่อยู่ในแก้วเพราะว่าไม่ได้หายแก้วขึ้นมารับนั่นเองดังนั้นเวลาเผยแผคทำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงไม่ยัดเยียดไม่บังคับให้กันรัเพียงแต่บอกให้รู้เท่านั้นเมื่อรู้แล้วจะสนใจหรือไม่สนใจมันก็เป็นเรื่องของเขาเพราะว่าคนเรานั้นมีสติปัญญาความสามารถต่างกัน บางคนมีปัญญาน้อยก็จะเห็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นของที่ไร้คุณค่าบางคนที่มีปัญญามากก็จะเป็นคนที่รู้คุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าเรื่องของคำสอนนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนตรงกันข้ามกับความรู้สึกของสัตว์โลกทั้งหลาย เพราโลกทั้งหลายนั้นมักจะมองเห็นทางด้านวัตถุข้าวของเงินทองอว่าเป็นสิ่งที่วิเศษว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นําความสุขมาให้กับตนแต่ไม่เห็นสิ่งที่เลวร้ายที่มีซ่อนอยู่กับความวิเศษเหล่านั้นคือความทุกข์ต่างๆที่มีตามมากับสิ่งต่างๆ ที่เราได้มาไว้เป็นสมบัติครอบครองจิตใจเรามักจะต้องกังวลมักจะต้องห่วงมักจะต้องหวงมักจะต้องเสียดายเสียใจกับสิ่งของต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่เราได้มาเป็นสมบัติเพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้บุคคลต่างๆเหล่านี้ ไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่เป็นเหมือนเดิมไปตลอดเวลามีการเปลี่ยนแปลงมีการพัดคลากจากกันไปในที่สุดนี่คือสิ่งที่เราคิดว่าวิเศษวิโสกันสิ่งที่เราแสวงหากันเราเลยไม่เห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราตัดให้เราละ อย่าไปโลภอย่าไปอยากได้สิ่งต่างๆมากมายเกินความจำเป็นมีเท่าที่พอที่จะดูแลอัตภาพร่างกายให้อยู่ได้อย่างสบายก็พอแล้วมีมากไปกว่า น, นั้นก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่จะกลายเป็นภาระทางจิตใจไปเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาคอยต้องต้องคอยกังวลคอยห่วง คอยอะไรคอยอะไรต่อมีอะไรต่างๆกับสิ่งต่างๆที่เรามีเป็นสมบัติของเราดังนั้นสมบัติของเรานั้นมันมีหน้าที่รับใช้เราคือดูแลอัตภาพร่างกายของเราให้อยู่อย่างสะดวกอย่างสบายแต่มันแต่ถ้ามันมีมากเกินไปแล้วเราไม่ฉลาดเราไม่มีปัญญา เราก็จะกลายเป็นคนใช้คนรักใช้ของสมบัติต่างๆเพราะเราจะต้องมาคอยดูแลรักษาคอยห่วงคอยกังวลกับสมบัติต่างๆเหล่านั้นแต่ถ้าคนที่มีปัญญาคนฉลาดจะรู้จักใช้สิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เกิดคุณเกิดประโยชน์และไม่ให้เกิดเป็นภาระกับทาง จ, จิตใจ คือส่วนใดที่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บไว้เพื่อเพื่อดูแลรักษาอัตภาพชีวิตร่างกายก็เก็บไว้ส่วนที่เหลือก็ไม่เก็บไว้ให้มันเป็นภาระเอาไปจำหน่ายจ่ายแจกไปสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ร่วมโลกด้วยกันดีกว่าเก็บไว้ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์มีแต่ยาม นำมาซึ่งความทุกข์ความกังวลใจต่างๆนี่คือสิ่งที่คำสอนของพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พวกเราปฏิบัติกันให้เรามีจาคะคือมีมีการเสียสละถ้าเราไม่มีจาคะคไม่มีการเสียสละเราจะไม่สามารถที่จะดำเนินแนวทาง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้และเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์คือความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติตามเพราะความตนดีความหวงแหนจะเป็นสัตวูตต่อจาคะคือการเสียสละแต่ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อมั่นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเราก็ต้องกล้าที่จะเสียสละในเมื่อสิ่งที่เรามีอยู่นั้น ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเราก็รู้เราก็เห็นว่ามีไว้ก็เท่านั้นมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นหมดไปมันก็ไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนอะไรมีไว้กับเป็นภาระมีไว้กับเป็นเหตุที่จะสร้างความกังวลใจสร้างความกังวสร้างความห่วงใยสร้างความเสียอกเสียใจเวลาที่จะต้องสุญเสียเหมือนไป แล้วไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีไปเพราะโลกนี้ไม่ได้เป็นโลกที่ชีรังถาวรออ ย, ยั่งยืนนั่นเองเรามาแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปเราจะไปด้วยความสุขหรือรจะไปด้วยความทุกข์ก็อยู่ที่ว่าเรามีจาคะหรือไม่ถ้าเรามีจาระคือความเสียสละเราจะไปอย่างสบายเราจะไปอย่างสุขใจ ถ้าไปแบบนี้ก็จะไปสู่ที่ดีไปสู่สุขคติได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพรหมถ้าไปแบบเสีย อ, อกเสียใจเสียดายอะไรอววรทุกขเศร้าหมองเพราะต้องจากสิ่งที่ตนเองรักไปก็จะไปสู่ที่ไม่ดีไปสู่ทุกขคติไปสู่อบายในภูมิใดภูมิหนึ่งเพราะความทุกข์ของจิตใจนั้น เป็นสาเหตุที่ทำให้ไปเกิดในอบายเพราะความยึดติดเพราะความตนหีสี่เหนียวเพราะความหงงแหงดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรามีจาคะให้เรารู้จักเสียสละการเสียสละนั้นก็มีอยู่สองระดับด้วยกันระดับปุถุชนธรรมดาทั่วไปอย่างพวกเราทั้งหลายและระดับพระโพธิสัตว์ ระดับพระโพธิสัตว์นี้เป็นระดับที่สูงกว่าพวกเราคือท่านสามารถสละได้แม้แต่ชีวิตของท่านเพื่อที่จะรักเพื่อที่จะได้มาซึ่งความดีงามทั้งหลายดังที่พระพุ ท, ทธองค์ได้ทรงสอนเรื่องของการเสียสละไว้เป็นขั้นๆว่าให้เสียสละให้เสียให้เสียสละครับเพื่อรักษาอวัยวะ ให้เสียสละอวัยวะ <c oughs> <c oughs> เพื่อรักษาชีวิตและให้เสียสละชีวิตเพื่อรักษาคุณธรรมความดีงามทั้งหลายนี่คือขั้นตอนของการเสียสละจะในแต่ละคนจะสามารถเลือกได้ว่าเราจะยอมเสียมากน้อยเพียงไรบางคนนี้ไม่ยอมเสียแม้แต่ครับร <c oughs> <c oughs> ่างกายจะพิกลพิการจะเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างไร ก็ไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมไปซื้อยามารักษากลัวจะจนกลวจะเงินจนกลัวจะไม่มีเงินทองเหลือใช้และไหนที่สุดก็อาจจะพิกลพิการไปเงินทองมันจะมีประโยชน์อะไรเมื่อร่างกายเราพิกลพิการระหว่างมีเงินหนึ่งล้านบาทกับต้องตาบอดไปนี้เราจะเลือกอะไรเรายอมเสียเงินหนึ่งล้านบาทแล้วรักษาตาของเรา เพื่อเราจะได้มองเห็นอะไรต่างๆได้เป็นปกติหรือเราจะรักษาเงินเพื่อที่จะเราจะยอมยอมตาบอดเพื่อที่จะรักษาเงินนี่ก็บางคนก็อาจจะยอมยอมตาบอดเพื่อที่จะรักษาเงินเพราะความตสี่เพราะความยุติในเงินทองแต่ถ้าเป็นคนฉลาดแล้วเขาย่อมเห็นว่า อวัยวะต่างๆนั้นมีคุณค่ายิ่งกว่าเงินยิ่งกว่าทองเงินทองนั้นมันหาได้ง่ายกว่าหาอวัยวะเวลาตาบอดแลวมันหายากที่จะหาดวงตามาทดแทนแล้ยิ่งถ้าต้องเลือกระหว่างอวัยวะกับชีวิตเราก็ต้องเลือกชีวิตไว้ก่อนเมื่อจาเป็นจะต้องตัดแขนตัดขา ก็ต้องยอมให้ตัดเพราะถ้าเรายังพอตัดแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าไม่ยอมตัดแขนตัดขามันก็อาจจะลามปลาไปส่วนอื่นของร่างกายทำให้ร่างกายนั้นต้องตายไปได้อย่างนี้ก็ต้องกล้าที่จะเสียสละที่จะตัดอวัยวะไปแล้วถ้าระหว่างการรักษาชีวิตกับคุณธรรมความดีงามทั้งหลาย นั้นถ้าเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็ยอมเสียสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาคุณงามความดีไว้แต่ถ้าสำหรับพวกเราแล้วเราอาจจะยังต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนเช่นถ้ามีใครเขาจะมาทำร้ายเรามาฆ่าเราเราก็คงจะไม่ปล่อยให้เขาฆ่าเราแน่ถ้าเรามีถ้าเราป้องกันตัวได้ถ้าเราฆ่าเขาได้ก่อนเราก็คงจะต้องฆ่าเขาก่อน เพราเรายังเป็นปูุ้ชนเรายังไม่เห็นคุณค่าของคุณธรรมความดีงามทั้งหลายชเช่นจาคะคือการเสียสละแต่้าโพธิสัทรนั้นท่านท่านเห็นว่าชีวิตนี้เป็นเพียงทางผ่านเท่านั้นเองเป็นเพียงขั้นบันไดสู่ขั้นสูงต่อไปคนเราจะไปเกิดขั้นที่ดีกว่าได้ก็ต้องมีคุณธรรมความดี ที่จะพาให้ไปเกิดที่ดีได้ถ้าเราทำบาปทำกรรมมันก็เป็นการเดินถอยหลังแทนที่จะเดินขึ้นก็จะเดินลงเช่นถ้าเราฆ่าผู้อื่นเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเราเมื <ME> ่อ <U TER S> <c oughs> เราตายไปเราก็จะลดระดับชีวิตของเราให้ต่ำลงไปแทนที่จะได้กลับเป็นกลัมเกิดเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐกว่าเก่าดีกว่าเก่กา ก็กลับต้องไปเกิดไปเป็นเดรัจฉานเพราะว่าไปฆ่าผู้อื่นนั่นเองไปทาบาปทํากรรมไว้แต่สําหรับพระโพธิสัตว์นั้นท่านมีความเชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดท่านมีความเชื่อในเรื่องการบําเพ็ญบุญบรารมีว่าการที่จะพัฒนาจิตใจของตนเองให้ไปถึงจุดสูงสุดให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นั้น จำเป็นต้องบำเพ็ญบุญบรารมีคุณงามความดีต่างๆไว้ตลอดเวลาเพราะบุญบรารมีหรือคุณงามความดีนี้เท่านั้นที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆและเป็นสิ่งที่นำความสุขมาให้กับเราอย่างแท้จริงคนที่เสียสละอะไรได้นั้นจะมีความสุขทางด้านจิตใจมาก กว่าคนที่ไม่เสียสละเช่นคนที่มีข้าวอยู่จานหนึ่งแล้วก็ตนเองก็มีความหิวกําลังจะรับประทานแต่เห็นขอทานที่เดินโซซัดโซใจมาไม่ได้กินข้าวมาหลายวันก็เห็นว่าการเสียสละข้าวจานนี้ให้กับเขานั้นมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะรับประทานเอง เขาก็ยอมเสียสละข้าวจากนั้นให้กับคนที่เขาเดือดร้อนกว่าตนเองเพื่อคนนั้นจะได้มีอาหารรับประทานเพื่อบรรเทาความทุกข์ของเขาการที่ทําอย่างนี้แม้ว่าร่างกายจะไม่ได้รับอาหารแม้ว่าร่างกายยังจะมีความรู้สึกหิวกระหายอยู่ก็ตามแต่ผลที่ได้รับจากการเสียสละนี้จะทําให้จิตใจมีความอิ่มเอิบ มีปิติมีความสุขมีความภูมิใจซึ่งจะเป็นความอิ่มเอิบใจนี้ที่จะทาให้ไม่รู้สึกว่าหิวข้าวเลยแม้น่างกายจะไม่ได้รับประทานอาหารก็ตามเพราะโดยธรรมชาติของจิตใจนั้นไม่ได้กินข้าวเป็นอาหารจิตใจกินความดีกินคุณธรรมความดีเป็นอาหาร กินบุญกินกสศลเช่นจาะคะการเสียสลระเป็นอาหารถ้าเราได้ทำการเสียสลระแล้วเราก็จะทำให้จิตใจของเราได้รับอาหารทำให้จิตใจมีความอิ่มเอิบมีความสุขใจและอนุภาพของความ <c oughs> อิ่มเอิบความสุขใจนั้นจะมีอนิภาพมากกว่าความอิ่มของร่างกายหรือความหิวของร่างกาย สามารถทำให้ไม่รู้สึกว่าหิวกระหายเลยเมื่อเราได้เสียสละข้าวจานนั้นไปให้กับคนที่เขาเดือดร้อนก่อนเรา <c oughs> ส่วนในทางตรงกันข้ามถ้าเราเป็นคนที่มีแต่ความเห็นแก่ตัวมีแต่ความอยากมีแต่ความหิวเราชอบไปแย่งอาหารของคนอื่นเขามารับประทานหรือไปขโมย อาหารของคนอื่นมารับประทานทำให้คนอื่นที่เขาจะรับประทานอาหารไม่มีอาหารรับประทานทำให้เขาเดือดร้อนส่วนตัวเราเองรับประทานเข้าไปเกินกว่าที่ร่างกายต้องการจะรับประทานจะได้ซ้ำไปแต่ความอิ่มเอิบใจนั้นกลับไม่เกิดกลับมีความรู้สึกว่ายังไม่อิ่มยังไม่พอยังหิวยังอยากอีก น, นั่นก็เป็นเพราะว่า เราไม่ได้อาหารไม่ได้ให้อาหารใจนั่นเองนอกจากไม่ได้ให้อาหารใจแล้วเรายังให้ยาพิษกับจิตใจอีกคือความโลภหรือบาปกรรมที่เกิดจากการที่เราไป <c oughs> ไปลักไปขโมยอาหารของผู้อื่นมารับประทาน <c oughs> นี่คือผลที่เกิดขึ้นจากจากการกระทำํำที่ต่างกัน ถ้าเราเสียสละแล้วแทนที่เราจะมีความหิวมีความกระหาย ท, ทั้งทั้งที่ร่างกายไม่ได้รับประทานอาหารแต่เรากลับมีความอิ่มมีความสุขใจในทางตรงกันข้ามถ้าเราโลกเราอยากเรากินเข้าไปมากๆต่อให้กินมากเท่าไหร่ใจของเราก็จะไม่รู้สึกว่าอิ่มไม่รู้สึกว่าพอเพราะใจไม่ได้รับอาหารใจได้รับยาพิษ คือความอยากความโลภนี้เป็นตัวที่จะสร้างให้เกิดความหิวความโลภเพิ่มมากขึ้นไปอีกไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มเกิดความพอนี่คือ <c oughs> สิ่งที่เราจะต้องศึกษาและเราจะต้องนำไปปฏิบัติ ด, ดูถ้าเราพิจารณาอย่างที่ได้สอนไว้แล้วแล้วลองนำไปปฏิบัติ ด, ดูเราจะเห็นคุณค่าของการเสียสละ เราจะรู้ว่าการเสียสละนี้แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะทำมากกว่าการเจาะแสวงหาสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆมาไว้ครอบครองแต่การแสวงหานั่นก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เสียหายถ้าแสวงหาแบบรู้จักพอประมาณคือเราโคตรพ้นเกิดมาก็ต้องมี ต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องหาเงินหาทองหาข้าวหาของต่างๆมาดูแลอัตภาพชีวิตร่างกายของเราและของคนที่เราต้องดูแลเช่นบุตรธิดาสามีภรรยาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราก็ต้องดูแลการกระสวงหาเพื่อสิ่งเหล่านี้ไม่ไม่ถือว่าเป็นความโลภ ไม่ถือว่าเป็นความอยากแต่อย่างใดแต่ถ้าเรามีพอเพียงแล้วแล้วเรายังไม่รู้จักพอแล้วเลยยังแสวงหาอีกโดยคิดว่าเมื่อเราแสวงหาได้มามากขึ้นแล้วเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนั่นเป็นความเข้าใจผิดเพราะแทนที่จะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเรากลับจะมีความทุกขความวุ่นวายใจเพิ่มมากขึ้นทั้งในขณะที่เราไปแสวงหา และเมื่อเราได้มาแล้วเราก็ต้องมาคอยดูแลรักษามาหวงมาห่วงมาสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้กับเราดังนั้นเราจึงควรแสวงหาพอประมาณแต่ถ้าเราเป็นคนเก่งคนฉลาดทําไปแล้วมันหามาได้มากโดยที่เราไม่ได้ไปปารถนาที่จะได้มามากมายเลยก็ตามถ้ามันมีเหลือกินเหลือใช้ เราไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้เราควรนําเอามาเสริมสร้างบุญบารมีมามาทำบุญมาให้ทานมาแจากมาแจากจาก่ายมาบริจาคเพราะเมื่อเราทําแล้วจะทําให้จิตใจเราสูงขึ้นดีขึ้นเพราะเมื่อเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่บ่อยๆแล้วจิตใจของเราจะเป็นจิตใจที่มีความเมตตามีความการุณา ต่เป็นจิตใจที่ไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็จะทำให้เรากลายเป็นคนที่มีสีนขึ้นมาคือเมื่อก่อนนี้เราไม่มีสีลเพราะเรามัวแต่ไปสแสวงหาสมบัติเท่าของเงินทองต่างๆเมื่อเราอยากได้อะไรมากๆเราก็จะไม่คำนึงถึงเรื่องการวการกระทาของเราว่าจะไปเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ ถ้าหามาได้ด้วยวิธีใดเราก็หามาหามาด้วยวิธีที่ไม่เบียดเบียนได้ก็หามาแต่ถ้าหามาได้ด้วยวิธีที่ต้องเบียดเบียนก็ต้องหามาเพราะความอยากนั้นมันมีมันมีกำลังมากเราฝืนความอยากไม่ได้เราเห็นอยู่ทุกวันนี้คนที่มีความอยากมากแม้จะมีเงินทองมากมายเพีงยงไรก็ตามก็ออยังต้องไป ทำในสิ่งที่สร้างความเสียหายไปเบียดเบียนผู้อื่นอยู่เสมอเพราะความอยากนี้มันเป็นตัวที่ถักดันให้ใปกระทานั่นเองแต่ถ้าเรามีการให้มีการเสียสละมันก็จะเป็นการตัดกำลังของความอยากให้มันเบาลงไปเบาลงไปและสร้างความรู้สึก ที่ดีต่อผู้อื่นให้มีขึ้นในตัวเราสร้างให้เราเกิดมีความรู้สึกมีความเมตตามีความการุณาคือมีไมตรีจิตคิดดีกับผู้อื่นและมีความสงสารเวลาที่เราเห็นผู้อื่นเขาเดือดร้อนเมื่อเรามีคุณสมบัติคือมีความเมตตาการุณาอยู่ในใจแล้วจิตใจของเราก็จะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่น เวลาเพราะว่าเราจะชอบสงเคราะห์ชอบช่วยเหลือผู้อื่นมากกว่าเพราะเวลาที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเราได้มีความสุขนั่นเองจิตใจเรามีอาหารได้รับอาหารทําให้เรามีความสุขใจมีความภูมิใจแต่ในทางตรงกันข้ามถ้าเราไปเบียดเบียนผู้อื่นมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกไม่สบายใจ รู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีเลยที่เมื่อกี้นี้เราไปกล่อมเหงรังแกผู้อื่นไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นมันก็ทำความไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจทำความเสียใจมาให้กับเราทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดอยู่ที่ตัวความโลภ ก, กับความอยากนี้เองถ้าเราไม่เราไม่บำเพ็ญ บุญบรารมีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นให้มีจาคะให้มีการเสียสละให้มีการให้ให้มีการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เรื่อยๆแล้วตัวความอยากความเห็นกับตัวมันจะมีกําลังมากขึ้นไปเรื่อยๆและมันจะทําให้การเสียสละนั้นยากขึ้นไปเรื่อยๆแม้จะมีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็จะหวงจะเสียดายเวลาจะต้องเสียเงินไป เพื่อให้กับผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับผลตอบแทนอะไรกลับมาจะทําได้ยากแล้วเวลาสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปเมื่อต้องจากสิ่งเหล่านี้ไปจะทุกข์ทรมานใจมากเพราะมันมันมีมันมีความผวงมีความมีความตนันนิมีความผูกมัดติดอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นนนั่นเองแต่คนที่เคยให้เคยเสียสละอยู่อย่างสม่ําเสมอแล้ว เวลาที่จะต้องจากสิ่งต่างๆไปจะไม่รู้สึกเสียใจจะไม่รู้สึกวุ่นวายใจแต่อย่างใดเพราะเคยให้มาอยู่อย่างสม่ำเสมอและเห็นคุณค่าของการให้และจะเห็นว่ามีความสุขเยอะอีกที่ได้ให้สิ่งต่างๆได้จากสิ่งต่างๆนั้นไปเพราะใจนั้นไม่ได้มีความจำเป็นกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เลย ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรือบุคคลต่างๆใจไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้เลยมีแต่รับความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ถ้าไปหลงไปยึดไปติด ก, ก็ต้องเศร้าโศกเสียใจเวลาต้องพัดผาจากกันและอยู่เวลาอยู่ร่วมกันก็ต้องคอยห่วงต้องคอยกังวลมีมีแต่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะโดยธรรมชาติของใจนั้น ไม่ต้องมีอะไรก็อยู่ได้เช่นใจของพระพุทธเจ้ากับใจของพระอาหารหันตสาวกท่านไม่มีอะไรหลังจากที่ร่างกายนี้แตกดับไปแล้วใจของท่านก็ไม่ไปแสวงหาอะไรอีกต่อไปท่านจึงไม่ต้องไปเกิดอีกนั่นเองท่านอยู่ในพระนิพพานใจอยู่ในพระนิพพานนี้เป็นใจที่มีความสุขอยู่เต็มที่ในความสุขมากเรียกว่าปรมังสุขขัง ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเพราะมีความสุขมีความพออยู่ในใจจากใจของพวกเรานั้นยังมีความโลภมีความอยากอยู่ยังมีความรู้สึกว่าไม่พอไม่อิ่มได้ก็ยังอยากจะได้มาอีกมีมากน้อยเพียงไรก็อยากจะได้มาอีกและเมื่อตายจากโลกนี้ไปก็จะต้องไปสแสวงหาใหม่อีกไปเริ่มต้นใหม่อีกเหมือนกับที่พวกเราตายจากชาติก่อน แล้วมาเกิดชาตินี้เวลาเรามาเราก็ไม่ได้มีอะไรติดตัวมาพอโตขึ้นมาเราก็รีบเราก็สแสวงหาสิ่งนั้นสิ่งนี้กันหาได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยถึงเมือ่อถึงคำว่าพอสักทีเพราะว่าคำว่าพอนี้ไม่มีจากการสแสวงหาสิ่งต่างๆในโลกนี้คำว่าพอนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อเราสละเราจับเราละเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เ<ม>ท่านั้น เราไม่ยึดไม่ติดไม่อาศัยสิ่งต่างๆในโลกนี้มาให้ความสุขกับเราเพราะใจนั้นสามารถให้ความสุขของตนเองมีความสุขในตัวของตนเองแล้วโดยที่ไม่ต้องไปหาความสุขจากที่อื่นถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับอาคารหลังนี้มี ม, มีมีความสามารถที่จะปรับอากาศได้ในตัวของมันเองคือทำให้เย็นได้ตลอดเวลา อันนี้เป็นเพียงสมมติเท่านั้นเองสมมติว่าถ้าอาคารอันนี้เป็นอาคารที่วิเศษที่สามารถปรับความเย็นได้ในตัวของมันเองก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปซื้อเครื่องปรับอากาศมาติดตั้งฉันใดใจก็เป็นแบบนั้นใจนี้มีความสามารถที่จะผลิตความสุขให้กับตนเองได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาเป็นตัวสร้างความสุขให้ แต่เพราะเนื่องจากใจของพวกเรานั้นไม่มีปัญญานั่นเองไม่มีความรู้ที่ถูกต้องเรามีความหลงความหลงนี้มันหลอกให้เราคิดว่าใจของเรานี้ต้องการความสุขจากสิ่งภายนอกเราจึงไปหากันทุกวันนี้ไปหากับไปห า, าข้าวของเงินทองต่างๆไปหาบุคคลต่างๆมาเป็นเครื่องให้ความสุขกับเรา แต่พอเราได้มาแล้วเราก็ต้องมาแบกความทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ความทุกข์ที่เราได้กับความสุขที่เราได้นั้นมันแตกต่างกันมากเราได้ความสุขเพียงนิดเดียวจากการที่เรามีสามีหรือมีภรรยาแต่เราต้องมีความทุกข์กับสามีภรรยาไปเป็นเวลาอันยาวนานจนกระทั่งวันสุดท้ายเลยถึงวันที่ต้องจากกันก็ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโเสียใจ เวลาเขาจากไปแล้วเราก็ อ, อยู่อย่างไม่มีความสุขอยู่อย่างเศร้าซ้อยหงอยหเหงาไม่มีชีวิตชีวานั่นเพราะใจหลงไปหาความสุขจากสิ่งภายนอกนั่นเองแต่ถ้าเราหันเข้ามาหาความสุขในใจของเราด้วยการสร้างบุญกุศลสร้างบุญบรารมีตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเช่นให้มีจาระะให้มีการเสียสละ เป็นจุดเริ่มต้นรับรองได้ว่าต่อไปจิตของเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆขอขอให้เราเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนและพยายามปฏิบัติตามเถิดแล้วเราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงและเราจะได้หยุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่เราหลงไปยึดไปติดไปแบบด้วยตัวของเราเองไม่มีใครบงังคับให้เราไปแบบแต่ความหลงนี่มันหลอกให้เราไปแบบ ให้เราไปสแสวงหาสิ่งต่างๆมาแบกกันเราพวกเราโชคดีที่เกิดมาแล้วได้มาเจอพระศาสนาได้เจอคําสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นแบบฉบับอันดีเลิศของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านดำเนินชีวิตแบบไม่พึ่งพาราศัยสิ่งต่างๆจากภายนอกมาให้ความสุขท่านสแสวงหาความสุขภายในด้วยการบาเพ็ญบุญบรารมี คุณงามความดีทั้งหลายอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มากระทํากันในวันนี้เป็นการกระทําที่ถูกต้องที่ควรส่งเสริมและควรปฏิบัติไปให้มีมากยิ่งยิ่งขึ้นไปและรับรองได้ว่าความสุขในจิตใจของท่านจะมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดถึงจุดเต็มที่ที่เรียกว่าพลังงานสุขังอย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วจึงขอฝากเรื่องการ บงเพนบุญบารมีอย่างสม่นเสมอให้ท่านนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความสุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพาะศรีและธนาวใยมีพระพุทธระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบุญและบุญกุศลที่ท่านได้มากระทำกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตั้ใจ